ขอความสุขความเจริญจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนำเสนอพระสูตรที่เกี่ยวกับการกระทำของพระเทพ ร, รัต์ต่อพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสกิลสูตรแต่พอดีมีคำกล่าวของพุกเทวดา หลายท่านที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนที่กำลังประทับพักรักษาพระองค์เนื่องจากสเกตหินที่พระเทวทัตได้กลิ้งลงมาก็เทวดาเหล่านั้นได้กล่าวสรรเสริญมาโดยลำดับมาถึงองค์ที่เจ็ด ก็กล่าวกล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงเจริญสมาธิดีแล้วจิตของพระองค์พ้นดีแล้วจิตของพระองค์ไม่ได้น้อมไปตามราคะจิตที่ไปตามอำนาจโทสะก็กลับมาก็ไม่กลับมา เ, าเดึงจิตของพระสมณะโคดมหาต้องตั้งใจข่มต้องคอยห้ามกัน บุคคลใดพึงสําคัญพระสมณโคดมผู้เป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษอาชนายเป็นบุรุษผู้องค์อาจคือนิสพะแหล่งที่ว่าแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ฝ่ายธุระเป็นผู้ฝึกแล้วเห็นปานนี้ว่าเป็นผู้อันตนพึงล่วงเกินบุคคลนั้นจะเป็นอะไรนอกจากไม่มีตา ประเด็นนี้ท่านฟังลองสังเกตนะว่าเป็นคำตำหนิของเทวดาต่อพฤติกรรมของพระเทวทัตแต่ว่าเทวดาท่านเป็นผู้ดีท่านก็พูดเพียงแต่ว่าใครก็ตามที่มองไม่เห็นคุณความดีของคนระดับพระพุทธเจ้าซึ่งมีลักษณะที่องค์อื่นๆได้บอกไว้เนี่ย เราคิดว่าตนสามารถจะลูกเกินได้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีตาพระพูดว่าสำนวนภาษาบ้านเราก็คือว่ามีตาแต่หามีแววไม่ประเด็นที่ควรมองก็คือว่าเทวดาเหล่านี้รู้จักพระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่หรอก เพราะว่าเป็นการรู้จักมาจากอาจารย์คือพูดโดยสารคนหนึ่งที่เป็นอุบาสกซึ่งตอนที่เรือจมอาท่านก็ได้บอกเล่าแล้วก็ให้ผู้เทวดาเหล่านี้สมาทานศีลแล้วก็บังเกิดเป็นเทวดาประการแสดงทั้งหมดของเทวดาองค์ที่เจ็ด หรือแม้แต่องค์อื่นๆเป็นการสะท้อนภาพของปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์แล้วกรุณาที่สมบูรณ์โดยเฉพาะยังอย่างยิ่งท่านเน้นในภาวะของคำว่าอลหังที่แปลว่ากรรมแห่งสังสารจักเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ควรไหว้ควรสักการะควรบูชาแล้วก็จะไม่ทำบาปแม้จะเป็นที่ลับก็ตามพอนที่ท่านบอกว่าพระองค์จึงทรงอดกลั้นต่อเวทนาเหล่านั้นด้วยประสติสัมปชัญญะเพราะทรงเป็นนาคเป็นต้นหมายความว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่า ความอดทนของพระพุทธเจ้าเป็นการอดทนแบบไม่ต้องอดทนคือไม่ต้องตั้งใจอดทนอะไรเป็นสภาพความไม่หวั่นไหวของเสาเขื่อนเป็นสภาพความไม่หวั่นไหวของภูเขาศิลาแท่งทึบเป็นสภาพของความไม่หวั่นไหวของแผ่นดินเพราะว่า ไอ้กิเลสเป็นเหตุให้จิตปันไหวเนี่ยมันไม่มีถ้าว่างลองสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เราไม่มีจิตไปเกี่ยวเกาะว่าเป็นของเราว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราเนี่ยเสิ่งนั้นจะเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ความยินดียินร้ายจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ในขณนะเดียวกันยามใดที่ใจเราไปกําหนด ว่าสิ่งนั้นเป็นของเราหรือสิ่งนั้นเป็นของศัตรูเราหรือคนนั้นเป็นศัตรูเราหรือคนนั้นเป็นมิตรกับเราหรือคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแล้วก็ไปคิดว่าเรามีตัวมีตนที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถึงมันเราจะวันไหววันไหวบางทีแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยจิตใจจะวันไหว เชนสมมติว่าเป็นพระมีส ม, มณะศัก์สูงแล้วเขาไปต้อนรับท่านคิดเอาเองว่าไม่เหมาะไม่ควรเช่นว่าเอาน้ำดื่มใส่ขวดน้ำขวดธรรมดามาประเคนเนี่ยคนบางคนเขาไปคิดว่าไม่ให้เกียรติพระนโวกาสที่จะหวั่นไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ แต่ว่ า, าพระพุทธเจ้าเราขนาดว่าเขาโอเศษอาหารคู่กินมาถวายเนี่ยหรือว่าแป้งจีที่นางปุณณาศีถวายพระเจ้าก็ทรงรับด้วยความกรุณาต่อคนเหล่านั้นแล้วก็ทรงเสวยโดยไม่ได้แสดงอาการอะไร นั่นคือสภาพจิตที่ไม่มีกิเลสเขาไม่หวั่นไหวเขาโดยธรรมชาติครับสมมติว่าจิตเราประกอบด้วยกุศลที่เราเมตตาในคนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนจิตจะเปลี่ยนเป็นกรุณา ปลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จิตจะเปลี่ยนเป็นมุติตาพอเขาดำรงอยู่ในสถานะของเขาเป็นปกติสุขยั่งยืนถาวรใจเราก็อยู่ที่อุเบกขาผนใจมันจะวิ่งไปที่กุศลตลอดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ชอบเขาเนี่ยถ้าเขาประสบความจเจริญก้าวหน้าเราจะเกิดริษยา ถ้าเขาประสบประสบกับความตกต่ำเราจะกระทุกซ้ำโดยวิหิงสาคือความคิดเปลีป่ยนแแต่ถ้าหากว่าเขาดำรงตนอยู่ในปกติสุขของเขาแต่ว่ามันค่อนไปทางดีนะฮะจิตเป็นเจ้าแว บ, บไปทางนิสัญญา ในขณะเดียวกันถ้าเขาติดคุกอยู่นานจิตมันก็จะแวบไปทางเบียดเบียนแทนที่จะดิ่งอยู่ที่เบียขามันไม่ดิ้งมันไม่ดิ่งเพราะว่า ก, กิเลสแล้วจะสันไหวตลอดเป็นเรื่องที่น่าทำความเข้าใจน่ารู้จักกับมันคืออย่างตั้งข้อสังเกตที่ยิ่งคิดจะเขียนหนังสือหรือํำไป คือว่ามันก็ใช้คิดธรรมะมาเยอะนะคิดอยู่เรื่อยมันก็มองเห็นว่าแอะที่จริงมนุษย์มันก็คือสัตว์ปัญหาที่เรามีอยู่ในโลกเนี่ยคือเราไม่รู้จักมนุษย์เพราะในความเป็นมนุษย์เนี่ยที่จริงมันมีสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์อยู่เวลาเวลาสัญชาตญาณ น, นี้ก็ออกมาเนี่ยมันจะแรงฮะแรงกว่าสัตว์เดรัจฉานบางอย่าง ต่เช่นว่าเราพบว่าสาัตว์ใิสารเนี่ยไม่มีการข่มคืนตัวเมียแต่มนุษย์ข่มคืนนั้นแสดงว่าสัญชาตญาณสัตว์สัตว์ที่อยู่เนี่ยมันถูกกดเอาไ ว, ดว้ด้วยด้วยด้วยเงื่อนไขต่างต่างภายในสังคมพอมันเกิดโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งสัญชาตญาณแบบสัตว์เนี่ยมันจะออกมรแรง พัฒนาการเหล่านี้มันก็กลายเป็นเรื่องโลภแรงโกรธแรงหลงแรงแล้วก็ราคาแดงธรรมดามนุษย์มันจะสั่นไหวจนถึงกระเบียดนี้ตั้งข้อสังเกตจากหนังสือพิมพ์จนไม่รู้จะอ่านฉบับไหนแล้วหนังสือพิมพ์เวลาเนี้ยคือคนเหล่านั้นออพอดูชื่อแล้วเราก็ไม่น่าเชื่อ ไอค้คนคนนี้คุณธรรมขนาดนี้เองอะเราเคยรู้สึกชื่นชมนับถืออยู่ภายในใจนะทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ว่าไม่ได้เคยพบเห็นอะไรเขาเพราะว่าแบ่งพ่ายรบกันเองเนี่มันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ใช่เหตุผลแล้วไม่ได้ใช้มาตรวัดแล้วไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายแล้วไม่ได้พูดเรื่องจาริยประเพณีไม่ได้พูดเรื่องศีลไม่ได้พูดเรื่องธรรมะซึ่งเป็นมาตร แต่ว่าใช้ความพอใจของตัวเองเป็นมาตวัดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเป็นประโยชน์กับฉันชั้นก็ว่าดีแล้วทั้งแนวความคิดเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจมนุษย์มันก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันธรรมดาของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเองพอสํานึกอย่างมนุษย์มันสั่นไหวแรงมันก็เหมือนกับคลื่นนะฮะเหมือนกับมันกระตกท้องช้าง คือตกลงมาต่ำก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าความคิดของท่านที่าาค้านัขั้นคีวิสนาเนี่ยแต่ความรู้สึกของท่านเนี่ยต้องการจะด่ากระทบพระพุทธเจ้าเพราะว่าพราะเจ้าเอาสารีบุตรซึ่งเป็นลุงของแกมาบวชก็บอกว่าข้าแต่ประมาณสั ป, ปนาคโคโดมข้าเพาเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งต้องปวงไม่ควรแกขร่ข้าเพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมด ทำไมความมาแกไม่ชอบเราพุทธเจ้าหลวงเจ้ารู้ว่าละจิตโดยเจตุปริญาแล้วก็ท่านก็พูดผิดด้วยมันก็ใช่อารมณ์พระเจ้ารับสั่งว่าที่คานะคะถ้าท่านคิดอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ต้องไม่วขวนแกเธอด้วยเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยเพระาระอะไรเพราะทั้งหมด ท, ทั้งสิ้นเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะเพราะแม่เราก็อยู่ในคำว่าทั้งหมดทั้งสิ้น นั่นคืออะไรคือผู้โดยโทษสะเพาะอาการก็โทษสะกก็ดีโมหะก็ดีราคะก็ดีาาดโลภะก็ดีโอกาสจริงนี่จะน้อยนะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณเช่นเราพูดถึงความสวยของเพศตรงกันข้ามด้วยอำนาจของราคะเนี่ยมันจะพูดเกินเหตุ หรือว่าพูดด้วยต้องการผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโฆษณาทั้งหลายเนี่ยอย่างที่โบราณท่านบอกว่าคําพูดของคนสี่ประเภทเนี่ยให้ฟังหูไว้หูคืออย่าเชื่อทันทีมันเป็นการพูดโดยโลภะคือต้องการได้ผลประโยชน์นั่นก็คือพ่อค้าที่โฆษณาขายสินค้าเท็จเยอะนะฮะคือตลอดสังเกตเราจะเท็จเยอะเลย แล้วก็ชายหนุ่มผู้กับหญิงสาวหรือบางทีเนี่หญิงสาวผูก้กชายหนุ่มก็โกหกเยอะแล้วก็ทูตที่เจรจาความเมืองกันก็โกหกเยอะแต่วคู่ความที่ต่อสู้กันในคดีก็ต้องการเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นเพราะมันเป็นการพูดดยโลภะต้องการเอาชนะ เออจนถึงกับมีพระมาเล่าให้ฟังวันก่อนว่มีวัดบ้าหนึ่งเนี่ยมีการบรรยายออกอากาศบัญญองคนนั้นทําบุญเท่านั้นเวลานี้ตายไปไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นคนเหล่านั้นคนอีกคนหนึ่งทําบุญมากกว่าก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงกว่าอะไรต่างต่างบู๊โข ความโลภเนี่ยมันทำให้คนทำชั่วได้ได้เฉยตเฉยนะฮะคือมุสาวาทขนาดเนี้ยเป็นมุสาวาทที่แรงแล้วคนมุสาวาทได้ขนาดนี้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยผลแสดงมันทำชั่วเรไมืมาเยอะแต่พอเราเข้าใจว่า น, นี้คือสัตว์โลกแล้วก็ไปเรื่องของเขา กำหนดวัตติโลโกสัตโล ก, ก็ป็นไปตามกันอย่างที่เคยบอกนะว่ามีกลุ่มที่เคลื่อนไหวการเมืองอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วมามองมานานนะตฮะ ต, ต, ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคือคนเหล่านี้มาไม่เคยให้ความสนใจเลยแต่เรามองเขาด้วยความสงสารด้วยความเสียดายด้วยความสลดใจ ว่าเอเวลาข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรทำไมคุณไม่ทำความดีเมื่อคุณคิดว่าใครผิดคุณก็นำก็สู่ศาลที่แต่คุณจะมาตัดสินดิมถนนนี่มันต่างอะไรแก น, นักเลงโตสองคนยกโผปีกันแต่รักรายก็ตั้งตัวเป็นสารตัดสินคนอื่นแล้ว ลงโทษส่งเขาคุกไปแล้วนะฮะอันนี้คือคืออะไรคือเป็นสัญชาตญาณแบบสัตว์ที่ใช้อารมณ์เพิ่นอารมณ์เนี่ยอย่าง อ, อังพรั่งก็เคยวิจัยพรั่งก็คิดแปลกเขาบอกว่าไอการที่เสือมันไปไล่กัดวางเนี่ยมันเกิดจากความรักอย่างลึกซึ้งมาก ต้องการที่จะผนึกตัวเองเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับตัวกวางเลยเลยต้องจับกวางมากินเลยพลังเหคิดเพียนเพียนดิงกันน่ยแต่นั้นคือโลภะนะครมันเป็นอาการก็โลภะโมหะแต่ว่าสัตว์อ่ะสัตว์แกก็มีโมหะไปเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเขาแก่ทีนี้คํากล่าวของเทวดาตอนต่อไปก็เป็นการแสดงให้เห็นถึง พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้านะไม่ว่ า, าจิตของพระองค์ได้พ้นดีแล้วจิตของพระองค์ไม่ได้น้อมไปตามราคะจิตที่ไปตามหน้โทสะก็ไม่กลับมาอันหนึ่งจิตของพระสมณโคดมหาต้องตั้งใจข่มต้องคอยห้ามกันไม่เพราะวานั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติระดับระดับก็เรียกว่าระดับวิขำพระณะปะหารระดับข่มเอา หรือว่าระดับที่ใช้สติปัญญาอะไรต่างๆก็สลัดหลุดไปได้บางขณะให้เราต้งเกยรู้เกิดอารมณ์โกรธเยอะแต่ว่าเราก็ข่มได้หรือว่าโลภเยอะมันก็ข่มได้เกลราคะมันก็ธรรมดามนุษย์มันก็เกิดแต่ว่าข่มไม่ได้แล้วก็เป็นความรู้สึกอยู่ภายในแต่แน่นอนใจมันก็เป็นอกุศลไปแล้วแต่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครแต่นั้นเองถามว่าจิตเป็นจิตอย่างนั้นเป็นบาปไหมมันก็เป็นบาปสะสมอยู่ในจิตสันดานแล้วก็ติดต่างว่าก่อนจะดับจิตจิตมันเป็นเดียวอย่างนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตกนรกถ้าหากว่ามีโทสะอยู่อาจจะเกิดสัตย์เดชานถ้าหามีโมหะถ้าหากอาจจะเกิดเป็นเปรตถ้าหากว่าจิตมันถูกบุญด้วยโลภะเพราะงั้น าการฝึกจิตการระวังจิตการพยายามกากับควบคุมจิตจึงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมนเกิดขึ้นในชีวิตของเราสานวนบาลีหน่อยท่านบอกว่าอย่าถึงความวางใจคือหมายความว่าอย่าวางใจแม้แต่ใจเราเองก็อย่าวางใจ เราจะมีความหนักแน่นเราจะมีความมั่นคงเราจะไม่หวั่นไหวเกีกับอารมณ์ต่างๆซึ่งมากระแทกเราก็ไม่รู้อะไรจะกระแทกก็เมื่อเดือนมิถุนาต้นเดือนก็ไปบรรยายอบรมพระนวกะที่บวชถวายพระจักุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หิวที่วรพระรามเก้าก็มีท่บบานผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบวช ด, ด้วย แล้วก็ท่านก็มาแสดงความเป็นห่วงบอกก่ท่านอาจารย์ไปไหนมาไหนน่าจะมีบรดิกาตดูแลบอกพระคุงไม่มีใครทำอะไรหรอกท่านบอกว่าอย่าวางใจเพราะว่าใครอาจจะคิดปีดีมีร้ายเช่นสมมติว่าไปจ้างผู้หญิงมาโดยพอเดินสวนกันก็นกนวิ่งเข้า กอดแล้วก็ถ่ายภาพอย่างนี้ก็ยุ่งแล้วเออเขาก็วิตกกังวลแต่งั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าในจริงๆแล้วก็ก็พลาดเองต้องสำรวจระวังตลอดต้องระมัดระวังเพราะเราไม่รู้ว่าใครใครใครจะคิดร้ายอะไรตลอดแม้จะอยู่ที่กุฏิเนี่ยตามปกติก็ล็อกกุญแจเข้าอยู่ห้องก็ต้องล็อกกุญแจเลยนะใครมาก็ตะเคาะ ก็าต้องดูต้องเห็นชัดเจนนะจึงเปิดและต้องมีเด็กอยู่ด้วยแต่เราเรียกเด็กมาก่อนมันต้องระมัดระวังเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าอันตรายอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าจิตใจเราอาจจะอ่อนไหวไปไม่มีใครจะรู้ได้แต่ว่าถ้าระดับพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างที่ว่านี่ทีนี้การที่เทวทัตคิดอย่างนั้น แล้วก็ทำไปอย่างนั้นแล้วเทวดาท่านตำหนิว่ามีตาแต่หามีแววไหมทีนี้องค์ที่เจ็ดเนี่ยเมื่อกล่าวเพิ่มเติมก็เป็นการรับรองอีกหกองนะฮะและใสุดก็กล่าวคาถาที่มีใจความโดยสรุปว่าพรามทั้งหลายมีเวทห้ามีตบะ ประพรุติอยู่ตั้งร้อยปีคือเวท5้าเนี่ยตามปกติแล้วก็คงจะเพิ่มพวกปกอิติหาสอะไรต่างๆคือคือคือไตรแพทยเนี่ยที่จริงมันมีสี่เขาเรียกว่าสามแพทยแต่จริงมันมีสี่แพทยมีฤึขเวทมียักษุรเวทมีสามเวทแล้วก็ตอนที่พวกอารยันรบกันเนี่ย ในสงครามหาพารตยุทธมันก็มีอาถรรพ์พนเวทเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็มีอิทธิหสัสมีอะไรอะไรเพิ่มเยอะที่หลังเพิ่มเยอะแต่ว่านี่เป็นเหตุการณ์ในพุทธสมัยเพราะว่าในการต่อหลังเนี่ยมีอุปนิษัตต์มีเวทันตะมีอะไรอะไรต่างๆเยอ ะ, ะว่าประพฤติอยู่ตั้งร้อยปีแต่จิตของเขาไม่พ้นแล้วโดยชอบ อันนี้คือยืนยันว่าในชีวิตมนุษย์เด่นที่จริงมันไม่ได้อยู่ที่อายุมากอายุน้อยในศาสตร์วัศศาสวักแข่งประธรรมบทมือเจ้าทรงแรงเยอะอย่างในกรณีที่สอดรับกับตรงนี้หมายความว่าบุคคลแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าไม่เห็นความเกิดดับซึ่งเป็นวิปัสสนาปัญญานะแล้วก็ถ่ายถอนตรรมมานานทิฐิได้เนี่ย มันก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่เห็นความเกิดดับไม่ได้หรือบางทีก็พูดถึงอมตะบด บ, บางผีพูดถึงอรเียมกักอะไรก็แล้วแต่นะก็ แ, ะแต่จะทรงแสดงเพราะงั้นไอ้จิตก็ไม่พน้นไม่พ้นแล้วโดยชอบมีตันหาครอบงำคือจิตที่พ้นโดยชอบมันต้องเป็นจิติสระ เพื่การพน้นบางอย่างหรือบางกรณีเนี่ยมันก็ถือว่าพน้นแต่ไม่ใช่โดยชอบหรอกมันยังเสี่ยงอยู่เยอะเลยเพราะพน้นโดยชอบจริงๆมันต้องเป็นระดับพระโสดา บ, บันขึ้นไปอย่างในบัญจัต์ที่ยี่สิบสี่กรกฏาคมที่ต่ออากาศออกต่อปัญหาออกอากาศ ที่มีการถามถึงอารยขัดขืนคืออามาอึดอัดกับคนเหล่านี้มานาน น, นนะฮะคือชอบเอาธรรมะชอบเอาพระรัตนตรัยเนี่ยไปใช้ในทางต่ำเราก็คงจะสงสัยว่าคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลบมางหรือเปล่าเป็นชาวพูดหรือเปล่าทำไมเธอเอาคำเหล่านี้ไปใช้แล้วคำที่มีความหมายอย่างเย้ยในาศาสนาคริสต์อิสลามเยอะทำไมไม่เห็นเธอเอาไปพูด ทำไมเธอเอาพูดเฉพาะในในพระพุทธศาสนาอรหันชาวนายัางเอาไปใช้ได้ยังไงหรือาอารยะขัดขืนไอหนุ่มผมยาวคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยที่ฉีกบัตรบังกอธยะขัดขืนยันกังพระอารยะท่านไม่ทำหรอกอันนั้นมันมันต่ากว่ามาตรฐานศีล น, นะฮะพระอารยะนละท่านศีล ส, สมบูรณ อันนั้นเป็นมาตรฐานต่ำกว่าศีลเป็นการผิดกฎหมายแล้วก็ทำลายทรัพย์ศีลทรัพย์ศีลมันมันราคาก็หลายตางังนะฮะถ้าเป็นพระเนี่ยอาจจะเป็นประราชิกไปก็ได้นะทรัพย์ศีลขนาดนั้นนะ่ะหามาสก็ได้เองเพราะงั้น ค, คือเราดูคนเันนี้จะสลดใจแต่ว่าแก้ไขได้ยากนะคือเราไม่มีโอกาสพบปะ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันหรืออาจจะขอร้องเธออย่าไปย่ายีศาสนาเลย<ม>คุณไม่ยกย่องคุณไม่นับถือแต่อย่าย่ายีเลย<ม>เพราะพระทางานหนักมากนะฮะพระด้านเผยแผ่เนี่ยทำงานหนักมากเลยเรื่องเนี้ยบางทีเราไปบญญรรยายอมเด็กตั้งสองามชั่วโมงเนี่ยก็มาชี้แจงอย่างเรื่องเนี้ย มานั่งอธิบายในเรื่องที่คนไม่รับที่ชอบเอาไปพูดเนี่ยพราะงั้นนที่จริงพวกนี้ก็อยู่ประเภทเดียวกันคือมีตาแต่อามีแบบใหม่ตันหานั้นมันเป็นตัวที่มีอำนาจอิทธิพลกำกับควบคุมจิตใจของมนุษย์เพราะงั้นตราใดใดที่เรายัางเอาชนะตันหาไม่ได้หรือว่ากำกับควบคุมกระแสของตันหา ไม่ได้เนี่ยก็ชีวิตจึงเสียงเยอะเสียงแม้แต่ในสังสารวัตร เ, เสี่ยงแม้ในชีวิตประจำวันเราเคยมีนะฮะว่าบางทีเราเจอพระผู้ใหญ่พระแก่บวชมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปเจอผู้หญิงยูๆขึ้นไปเลยเอาไม่อยู่ อันนี้คือคือบุตุชนเนี่ยสรุปประยาวางใจกันและกันรับใดที่เรายังเป็นปุตุชนอยู่อย่าวางใจในเรื่องอะไรทั้งหมดข้อต่อไปเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยศีลและพรตประพฤตตบะอันเศ้าหมองอยู่ตั้งร้อยปี แต่จิตของพรามนั้นไม่พ้นแล้วโดยชอบพรามเหล่านั้นมีจิตเลวย่อมไม่ลุถึงฟังอันนี้ที่จริงเนี่ยคือถ้าเราอ่านนี่ดีเนี่ยกเกิดเหตุว่าไปว่ากระทบพระเทวทัตแต่ว่าท่านไม่ว่าตรงๆท่านอธิบายลักษณะของจิตนะแต่หมายความว่าพระเทวทัตได้ฟังก็รู้ว่าท่านก็อยู่ในประเภทเนี้ย บวชมาตั้งนานแล้วไม่ได้เรื่องอะไรรุนแรงกว่านั้นก็คือวางแผนฆ่าศาสดาตัวเองแล้วก็ซึ่งมีศักเป็นน้องเขยด้วยนะแล้วก็มีศักเป็นลูกพี่หรือลูกน้องก็ก็แล้วแต่จะเรียกนะเพราะว่าคือพระเจ้าสีหานุ ก, กับพระเจ้าสุปาพุทธเนี่ยเขาอะไรล่ะก็แลกน้องศาวกัน ก็อาของเจ้าชายจิทัตนะเป็นแม่ของเจ้าชายเทวทัตแต่ในขณะเดียวกันอาของเจ้าชายเทวทัตคือปัญหาสตริมามายาเนี่ยก็เป็นแม่ของเจ้าชายจิทัตเพราะเราจะเรเรียกว่ า, าลูกพี่ลูกน้องหรือว่าใดเป็นพี่ว่าใดเป็นน้องก็กแล้วแต่ แต่สรุปว่าเป็นยากแต่เห็นว่าความคิดแก่แรงนะครทีนี้ เ, เทวดาก็ให้สติสตินี้เป็นการสากลเลยมายความมงคลทุกคนก็คือกันความฝึกไม่มีแกคนที่ใครมานะคือคนที่ที่ที่ทททมีที่มีมานานถือเ่งเก่งแล้วดีแล้วสามารถแล้วไม่ต้องฝึกปรืออะไรตัวเอง พวกแบบพวกอย่างนี้เยอะนะคือบางครั้งเร า, เอ า, อ า, ากร็อ่านบางครั้อ่านบทความของคนที่เรียกตัวเองเป็นผู้อุโสเนี่ยโอ้โหทําไมไมจ่จิตใจเขี่ยมเกลียบอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะะอีกไม่กี่วันก็ตายแล้วทําไมมันทำไมไม่ไม่ฝึกตัวเองทําไมโอวาสอนุส่์แต่คนอื่น เพราะว่าอักษรแต่ละตัวที่เขียนมาเนี่ยมันมีลักษณะลิศยาอาคาดแล้วก็ตั้งตัวเป็นเสร็จหมดเลยตัดสินก็หมดเลยนั่นคือมาณะความกระด้างกระด้างโดยอะไรก็ไม่รู้ว่าบางคนเรามันเกิดได้หลายเรื่องความรู้ไม่มีแก่ผู้มีจิตไม่ตั้งมัน่นม้ความเช่นเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าจิตเราวกแวกแวกวกแ ว, กแ ว, กแวกมันไม่เกิดความรู้ เพราะความรู้มันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสการทรงจำความแม่นยำการเพ่งพินิจจนการทำความเข้าใจมองผ่านมิติต่ตางๆแล้วก็ เ, เกิดความรอบรู้ เ, เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นได้อีกเป็นอันมากือเราอาจจะมองแค่ๆกับหลัก ส, สูตรที่ว่า มนุษย์กคนต้องตายในก็เป็นคนเพระาะฉะนั้นในก็ต้องตายมันก็สูตรนี้มันครอบหมดทั้งโลกเลยเสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องตายนะแต่ที่เราจะพูดจะพวคนอ่ะคนเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตเพราะงั้นเราได้บทสรุปว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องตายแม้แต่ต้นไม้มันก็มีชีวิตเพราะงั้นต้นไม้วันหนึ่งถือต้องตายหญ้ามันก็มีชีวิตเพราะงั้นหญ้าวันหนึ่งก็ต้องตายนั่นคือระบบระบบของการคิด แล้วก็เทียบเคียงแล้วก็เชื่อมโยงแล้วก็ดูสภาพสภาพที่มันตรงกันคือเกณฑ์กําหนดเนี่ยเขาเขามองไปที่ตัวชีวิตเพรา ะ, ะสิ่งมีชีวิตต้องตายปลาก็มีชีวิตแมวก็มีชีวิตต้นไม้ก็มีชีวิตคนก็มีชีวิตอะไรก็มีชีวิตสรุปว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องตายทั้งทงั้นี้บทเรียนข้างได้เราเรียนจากคนนั่นเองเรียนจากนายกคนเดียวแต่ก็สามารถที่จะมองโยงได้ ถ้าหากว่าจิตมันตั้งมั่นมันก็คิดด้วยด้วยด้วยด้วยจิตที่สงบจิตต้องนิ่งแล้วก็บอกว่าบุรุษผู้ละมานะมีจิตตั้งมั่นมีจิตดีพ้นในธรรมทั้งปวงแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าไม่ประมาทแล้วบุคคลนั้นข้ามพ้นฝั่งแห่งมัจจุได้แล้วนี่ท่านก็ยกย่องพระพุทธเจา้านะครหมายความว่าพระเจ้าก็ตอนนั้นก็ประทับอยู่พระองค์เดียวเพราะว่า ภิกษุนั้นถูกให้ไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐา น, าฐานแต่สมัยนั้นเขาไม่เรียกกรรมฐานนะเขาเรียกสมถวิปัสสนาแม้แต่ธุระเนี่ยคันธธุระวิปัสสนาธุระที่เร า, าพูดที่จริงเป็นคำรุ่นหลังเป็นคำที่หลังพูดอะไรล่ะคำวาสีอรัญวาสีอะไรแตพ่พูกพวกนี้เป็นคำรุ่นหลังหลังตอนนัะเป็นภาษาที่เรียก ทีนี้มีประเด็นที่ที่น่ า, าสนใจประการต่อไปก็คือว่ามันมีเรื่องที่เชื่อมโยงเชื่อมโยงประการต่อไปก็คือที่เทวดากล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณอย่างที่บ้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นการสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ คนที่บริสุทธิ์ขนาดนี้ยังมีคนไปคิดร้ายได้เนี่ยมันแย่มากๆเลยเป็นการล่วงเกินต่อบุคคลที่ไม่ควรล่วงเกินแล้วก็ไม่อยู่ในฐานะที่ใครๆควรจะล่วงเกินเหมือนคล้ายๆกับประเทศเราเนี่ยประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยดารงพระศาลาอยู่ไหนเป็นที่เคารพสักการะ บุคคลจะล่วงละเมิดไม่ได้นั้นกฎหมายกาหนดเอาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราศึกษาพินิจพิจารณาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละโดยเราไม่สนใจกฎหมายว่าอย่างไรแต่ใจเราคิดอย่างนี้นว่าเป็นปู่ชนียบุคคลของแผ่นดินนะที่ควรแก่การคารพสักกิระควรแก่การแสดงออกซึ่งความจรรกภักดี ทีนี้ในพระบาลีเนี่ยท่านได้เล่าไว้ในปฐรรมจีตุสูตรถึงคำกราบทูลของนางโกตนชาเทพธิดาผู้เป็นธิดาของประชุณเทวราชที่มากราบทูลถึงถามถึงโทษที่เกิดขึ้นแก่คนที่ติเตียนพ ร, รนัตนาใจจนท่านเกิดความรู้สึกว่าไอ้คนที่ติเตียน ร, รันตนาใจเนี่ย อย่างที่เล้า ใ, ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะเพราะว่าเราเจอประสุตตันี้บ่อยคือนิเทศแห่งทิพยจักษุเนี่ยพระเจ้าทรงเห็นสภาพชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายในพบภูมิต่างๆมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ทุกงานคือติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายดาวา่าสมณะจีพรา มันเป็นเวญกรรมอย่างหนึ่งของของมนุษย์คือชอบเบียดเบียนคนที่ไม่มีทางต่อสู้หรือเขาไม่เขาไม่ต่อสู้ไปชอบเบียดเบียนหาเรื่องด่าพระหาเรื่องนินทาพร ะ, ะอะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ อ, อย่างที่ว่าคือคือนางประชุมเทพธิดาในท่านท่า น, ท, านท่านบอกว่าคนโงข่ข่าตีเตียนธรรมของพระเดียเจ้าย่อมบังเกิดในโรรุวะนรกตลอดกาลและนาน สนคนที่มีความอดทนสงบอยู่ในธรรมของพระเจ้าละอัตภาพของมนุษย์แล้วย่อมบังเกิดในสวรรค์อย่าลืมมาเทือกทิดานั้นพูดจากประสบการณ์หมายความมาเธอพราะเห็นบุคคลสองประเภทเนี้คนหนึ่งก็ติเตียนพระริยเจ้าติเตียนพระสงค์ก็ตายไปก็บังเกิดในรโรรุวนานรกนรกพวกนี้มันเขานับนรกแปด แขุมท่านแปลว่า8ดขุมคือสันชีตนรกกาลสุตตนรกสังคาตะนรกโรรุวะนรกมหาโรรุวะนรกตาปณะนรกมหาตาปณะนรกอเวจีมานรกทีนี้โรรุวะนรกเนี่ยท่านบอกว่าแบ่งออกเป็นสองคือทูมะโรรุวะนรกเป็นนรกที่เต็มไปด้วยควันไฟมืดครื้มไปหมดเลย บางคนจะไม่เห็นสัตว์นรกแต่จะรินเสียงแสดงความเจ็บปวดรวดราวทุกทรมานเอ่อคือกล้องไปหมดเลยรอ ง, งมไปหมดอีแนวหนึ่งเป็นเรียกว่าชาละโรวะนรกเอ่อจริงๆก็คืออเวจีมานรกอเวจีมานรกที่จริงเป็นนรกที่อยู่แย่ที่สุดอะ ผ่านกลับเป็นกลับกับกันไปเลยก็มีการถกเถียงกันของพระเจ้ามิลินพญามิลินกับพระนัเกเสศเนี่ยวันนรกมันอยู่ได้ยังไงมันมีความรุนแรงกัมีไฟลุกไหม้อย่างนั้นมันอยู่ได้ยงไงคือพระนัเกเสศบอกว่ากรรมมันหล่อเลี้ยงเป็นกรร ม, มะปฏิสระโหนคือมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วก็เป็นกรรมบรรทุกด้วยแหละ คือกำเนิดเขาเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นมันก็อยู่ได้เมือนก็สัตว์ต่างๆเป็นดมากที่กำเนิดก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่ได้อย่างนั้นเพราะว่าอเวจีเนี่ยคือสัตว์ ร, ร้องให้อยู่ในกองไฟที่ลุกโผล่อยู่ตลอดระยะเวลาแบกไม่ตายบางท่งไฟลุกโผล่อยู่ตลอดเวลาเนย เพราะนิติผลของกรรมเป็นเรื่องแปลกคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันเด็กอยู่ในคันเนี่ยน ะ, ะเราจะว่ากรรมก็หล่อเลี้ยงไว้อะไม่น่าจะอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้แต่ทีนี้สมมุติสมมุติว่าทําได้นะฮะสมมติว่าทําได้แล้วเด็กที่คลอดออกมาแล้วแล้วก็ผ่าท้องแม่เข้าไปใส่เข้าไปใหม่เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ากรรมไม่หล่อเลี้ยงแล้วเพรา ะ, ะนั้นเป็น กระบวการของกรรมมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ากรรมมะวิปากะวิใสเป็นวิสัยของกรรมและผลของกรรมเอากข้าจริงเราก็ยังให้ลึกไม่ได้ทีนี้ในปัฏฐานทีตูสูตรนั่นเองนางเทพธิดาชื่อกุลโกณะชาเป็นธิดาของปัชจุนเทวราชเช่นเดียวกัน ก็ได้กราบทูลความเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตนได้สดับมาความว่าบุคคลไม่ควรทำบาปด้วยกายหรือวาจาด้วยใจนี่ก็มีลักษณะการเล่า ห, หมายความว่าเธอไปฟังเทศมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเล่าเป็นการเล่าตามความเข้าใจของเธอไม่ใช่ว่าท่องมาเป็นบทอัการ แต่อย่าลืมมาตรงนี้ที่จริงก็คือสุจริตก็คือกุศลก็บรริทธิประการโดยกายสามปัจจี4แล้วก็ใจสามก็เป็นกุศลกาบรริทธิประการควรละความกังวลในโลกทั้งปวงเสียเลยเชนว่าลักษณะของจิตที่กังวลเนี่ยมันจะอยู่ที่ ราคะบ้างโลภบ้างาโทสะบ้างโมหะบ้างหมายความเมื่อเรื่องบ umm าง เ, เรื่องเนี่ยเรามีควา jamais, มรู้สึกผูกพันก็กังวลเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ชอบเราก็กังวลว่าเขาจะได้ดีมิเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอยากได้เราผูกพันเราก็กังวลเรื่องบางอย่างเราไม่เข้าใจไม่ชัดเจนเราก็กังวล เพลนกิเลสเนี่ยจริงมันเป็นเหตุแต่กังวลทั้งนั้นเนี่ยดันั้นขณเดียวกันเรามองดูว่าธรรมะถ้าหากว่าเข้าขั้นที่เขาเข้มข้นพอเนี่ยมันจะยุติความกังวลเพราะอะไรเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าสู่กฎของของอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางได้เพราะว่าในความจริงสัตว์ทั้งหลายมันเป็นไปตามกรรมอย่างที่เคยบอกไว้เมื่อวันก่อนนี่ว่า คนเราเข้าโรงพยาบาลไม่หายก็ตายตอนนั้นเองผลถ้าเรายอมรับความจริงว่าโรคเนี่ยบางอย่างรักษาหรือไม่รักษาก็หายบางอย่างแต่รักษาจึงหายถ้าไม่รักษาก็จะไม่หายบางอย่างรักษาหรือไม่รักษาก็ตายแต่เราเข้าโรงพยาบาลเราไม่แน่ว่าเราจะหายหรือจะตายผลพอเข้าโรงพยาบาลก็เตยมใจยอมรับ 50% 50% ตายก็ดีนะแล้วก็หายก็ดี คือได้เราใช้ประโยชน์ได้ก็ทำให้ใจมันเตรียมพร้อมที่จะอยู่ได้ทั้งหายทั้งตายตายก็เกิดใหม่ทำความดีเอาไว้พยายามรักษาใจเอาไว้แล้วก็พยายามปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายอย่าไปเกี่ยวเกาะมันจะนอนภาวนาพุทโธอะไรอยู่ก็ได้ทีนี้ควรละความรักใคร่ทั้งหลายเสีย อันนี้ก็หมายความว่าถ้ายังกังวลมันก็ไม่ใช่คือทั้งรักใครมันยังกังวลนะ่ะนี้ทำยังไงจึงจะยุติความกังวลแล้วก็ละความรักใคร่ก็ควรจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ยังมีสติอยู่ยังมีสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับทุกอันอันไม่มีประโยชน์คืออะไรก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อ่ะ เราเห็นว่าพวกวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแม้แต่เนี้ยแม้แต่เป็พระรู้สึกกุตติของเราวัดของเราอะไรแต่ละคนเรามันกนยุ่งแล้วเพราะงั้นก็ถ้าทําตัวนผู้อาศัยวัดอะเราก็พร้อมที่จะไปเกิดมาเองตั้งแต่บวชมาเนี่ยอยู่วัดต่างๆมาก็าสี่วัด แต่ที่เราต้องการอยู่จริงๆที่จริงก็คือวัตวอรเนี่ยนะฮะพยายามเขาอยู่นอกนั้นก็ถูกผู้ใหญ่สั่งการไปแต่ตอนอยู่เราก็ทํางานเต็มที่เลยออกคือออกเลยไม่เหลืออะไรไปเลยอะไรก็ให้เข้าไปหมดแล้วอะไรที่เช่นทวนมากก็เอามาจาับก็หนังสือตอนนี้หนังสือแล้วก็มีโอกาส พอจะไปทดแทนบุญคุณวัดได้ก็ไปแต่ไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นวัดเราแล้วคือจบละเคยใครมาอ้างว่าวัาเราแม่เาเมันไม่ใช่วัดเราอยู่แต่แต่ก่กอนเราไปยุ่งมากไปแต่มีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเราก็ถือว่าทดแทนสถานที่ทดแทนบุญคุณของสถานที่ที่เคยอยู่รือสงเคราะห์อนุเคราะห์ิสุสามเนีเราก็ทาแต่ว่าอย่าไปยึดบ้นหรือบ้า น, นวัดเรา เพราะกุติที่เราอยู่หลังเดียวน่นก็ยุ่งแล้วนะฮะแต่ถ้าเราไปไปยึดมัน่นถือมัน่นมันมากมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆอย่างกรณีของศูนย์ส่งเสริมศาสนาที่จะสร้างเนี่ยสร้างก็สร้างไม่สร้างก็ไม่สร้างก็ไ ม, งกไม่ว่าเลยเราก็ทำงานอื่นต่อเราก็ทำงานเสร็จแล้วเราก็ตายนะฮะหือถ้าไปวิตกังบนไปเดือดร้อนมากมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร คือถ้าเราชวนแล้วเขาทำเขาก็ทำบุญของเขาอ่ะเราก็เป็นผู้ชวนเฉยๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ทิ้งสิ่งตรงนี้เราอาจจะไปทำงานเพื àn, ่อเพื đ đ tha, tha ่อพระศาสนาที่จริงก็ไม่ใช่เพื่อเรานะดังนั้นถ้าถ้าไอคิดอย่างนี้เราจะเห็นว่าเทศิดานี้ไม่เบานะะคือหมายครามมาที่เราชุก่ยคือเราไปแบกทุกไงทุกกับขันกองทุก นี่ก็แสดงว่าการติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นี่มีโทษมากอยู่แล้วทางที่ดีคนจึงไม่ควรกระทําจะปวยกล้าไปใหญ่จึงไปเล่นงานระดับพระรรพุทธเจ้าอย่างปเทวทัติธ้รมทั า, ทายเสียงธรรมจากมังวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี